إ ن ت في ذلك ليلة لطمينة، فأذل الكبار أ ح ه والمسكين. ใคร่ร <stereotype and true choses> ุ <dragging> ่นที่นี่อยู่นะเจ้ารอวันนั้นจะมุ่งมุ่ง We a r i o n From every tongue, from e e r y o n g u c and you say. So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 Allahumma bika asbahna wabika amsayna wabika nahiya wabika n wa a m u t ل wa y م l a i k a n nushur auzubika limatillahi ta mati min s h ل r i m a khalaq Bismillahil-ladhi la yadzur ma asmih shayun fil arz walafis sanaa wahwa samiyyul alim ร ا ดี ب ุบ ل ล إ าฮิรับบะวบ م د อิสล ب มดีนและบิม ا ฮัมมั ا อิลลัสโว ن ะอัลลอฮุมะ ا ี ك ิอาอู ا ل ค ب มิน ل ั ا คั ي ลีว ا วสุอิลคิบรีรับบะอาอูบุค์ م ินอาดับิ ب ฟ ف นนารีวอ ا ดับิมฟิลควบรีอัลลอฮุม ر ฟินีฟีบดันีวะฟ พี่น้องที่ร่วมนมัสารสุบฮ์ที่มัสยิดของอัลลอฮ์ที่รักทั้งหลายครับและรวมไปถึงพี่น้องที่ติดตามนะครับรายการตับเซตที่อยู่ที่บ้านของท่านนะครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ تعالى พี่น้องครับเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ تعالى นึกนะพี่น้องนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ นึกเนี่ยให้ใช้ให้นึกอย่างงี้พี่น้องครับบางคนนึกไม่เป็นนึกถึงเนี่ยอมัมัดนึกถึงนี่ยอมัมัดความโปรดปรานที่อัลลอฮฺประทานให้แก่เราเนี่ยนึกเยอะๆพี่น้องถ้าจะให้อัลลอฮฺรักเราหรือเรานึกถึงอัลลอฮฺเยอะๆเนี่ยนึกอย่างนี้นึกถึงความโปรดปรานเนียมัดที่อัลลอฮฺประทานให้แก่เรา เอานึกอะไรบ้างเช่นอลัลลอ์สร้างเรามาเป็นคนเคยขอทุกเปล่าไม่เคยเอลัลลอ์ให้มาแล้วก็ร่างกายนี่ครบบริบูรณ์ใช่ไหมอลัอลลอ์อักบะดยังก็ลอกับใครอีกที่เพิ่มมาอีกยังอะไรนะยังรวยกับใครต่อใครอีกหลายคนนี่นึกถึงเนี้ยมาตรงนี้ละ ให้หูให้ตาให้จมูกให้มือให้เท้าเมื่อก่อนนี้ไม่รู้จักอิสลามวันนี้มารู้จักอิสลามมารู้จักอิมานมารู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่เป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์อันยิ่งใหญ่เลยก่นแล้วลมีสุขภาพแข็งแรงยังยังเดินมามาสิ่ได้นี่เป็นเนื้อมัดทั้งหมดเลยนะเพะนั้นบรรดาอุลามะเขาเลยเขาเลยสั่งบอก ว, ว่าวิธีที่จะให้อะไรนะ ให้เราเนี่ยมีความรักในอัลลอฮ์เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาบอกอัตตาฟักกุดฟินนมยซีดุลมฮับเนี่ยอุลลอ์สอนทั้งหมดเนี่ยนะให้เรานึกถึงนอามัความโปรดปรานของ Allah, อ, อัลลอฮ์เยอะๆแล้วก็เรากับอัลลอ์เนี่ยความรักระหว่างเรากับอัลลอ์ก็จะเพิ่มพูนขึ้นตลอดเวลาพี่น้องเราต้องนึกถึงอัลลอ์แล้วข้อที่สองนะตตฟักกุดฟิซูนุบบาปที่เราทเอาไว้ในอดีต น, นะ ยังจำได้ไหมอะแปลกนะไอ้บาปที่ทำไว้ตั้งนานแล้วนะเหมือนทำเมื่อวานเนี่ยใช่หรือไม่ใช่ยังเห็นภาพอยู่เลยเนี่ยได้ของดีๆนะส่วนใหญ่เราจะจำได้ของไม่ไมดีนะไม่ก็อจำพยายามจำของชั่วๆที่เราทำไว้ในอดีตจะทำให้เรานนเนี่ยกลัว Allah, อัลลอ์นอบอน้อมถ่อมตนก่ออัลลอ์ีความดีทั้งหมดเลยนะ นึกถึงความชั่วที่ตัวเองทาเยอะๆพี่น้องแล้วก็ทำให้เราได้เต่าบาตัวได้นอบน้อมเด่ดอมจนไม่ให้เยอะยิงไม่ให้จองหองอยากจะตื่นนมาตะหยจุดบ้างเพราะนึกถึงบาปตัวเองอ่ะใช่อแล้วก็ให้คิดถึงโลกอาคิโร่เนี่ยเยอะๆคิดถึงโลกอาทำให้เราด้วนะเป็นคนที่กระว่าสมาัทะ จะจะไม่ละโมบอะไรเยอะฉันจะตายแล้วเนี่ยแต่อามัณฑของเราคนยังน้อยอยู่อัลลอฮ์นึกไปนึกมาเอ้ย ท, อทําอามัณฑิซอซแ้ว ก, ก่อนดีกว่ามาเรียนาศาสนาก่อนดีกว่ามาอ่านคุรานก่อนดีกว่าเงินอย่าเพิ่งหาเลยเก็บไว้ก่อนเพราะทหามาตลอดชีวิตอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ใกล้จะตายแล้วครับขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานหูอตาลาพี่น้องที่เราทบทวนอัลกุรานสุรออัรูมเนี่ย ความจริงมานี่มันสุรรัตที่30ใช่ไหมก็30มสามสิบปียังได้เลยนะ <laughs> พี่น้องวันนี้เรามาถึงสุรรัตอารุมอายาที่37นะครับพี่น้อง <laughs> <laughs> อัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องมาอ่านกูอ่านกันดีกว่าพี่น้องนะ أو لم يروا أن الله َ ي ب ل ر ّ ز ق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك ل آ ي ت ل ِ قوم يؤمنون .awalamjara'anallahya بسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الحمد لله أ يعني ب a ك อัลลอฮ์เนี่ยนะเนี่ยในความหมายโดยสรุปกันนะอัลลอฮ์น้าลาเนี่ยสร้างมนุษย์มาเนะี่ยแล้วก็รับผิดชอบด้านรีสกีด้วยไม่ใช่สร้างมาแล้วก็ปล่อยแนละ้วไม่ใช่สร้างมาแล้วก็ดูแลด้วยแล้วอัลลอฮ์เอ่ยอะไรก่อนเอ่ยริสกีก่อนฉันนี่ดูแลมามนุษย์นะด้านรีสกีคําว่ารีสกี้อย่ามองเป็นเม็ดเงินเป็นข้าวที่อยู่ในหม้ออย่างเดียวไม่ใช่ ริสกีทุกรายการเป็นเนียมัดทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้ให้มีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีภรรยามีลูกมีหลานมีรถชาบินส่วนตัวมีเฟอร์นิเจอร์เต็มตัวเลยบางคนมีเพชรมีเพชรมีนาฬิกามีอัลลอฮ์นี่เป็นริสกีทั้งหมดความรู้เป็นริสกีอีหมานเป็นริสกีอิสลามเป็นริสกีการรู้จักอัลลอฮ์เป็นริสกีริสกีทั้งหมดเลยตายในอีหมานก็เป็นริสกีอัลลอฮฺอัลลอฮ อามาดูสับนะครับเอาวาล้ำล้ำแปลว่าไม่อ้าแปลว่าหรือยาเราแปลว่าเห็นพวกเขาไม่ได้เห็นแปลว่าสังเกตก็ได้พวกเขาไม่เคยสังเกตหรือมาถึงมนุษย์นี่แหละอลัลลอฮ์บอกกับนบีให้นบีสังเกตให้คนที่อ่านโค้งอ่านเนี่ยสังเกตเคยสังเกตบ้างไหม เอาวาลาอย่าเราพวกเขาเนี่ยไม่ได้สังเกตไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้คิดดูบ้างรึออันอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮยะบะซูตูเนี่ยบยาซาตยยะบะซูตูเราผ่านมาแล้วนะแปลว่าแผ่ให้อย่างเต็มที่เลยผ่านมาแล้วผ่านมาสองสาครั้งแล้วยะบะซูตูแปลว่าแผ่ให้หมายถึงให้อย่างมากมาย นี่พูดถึงเรื่องริสกีนะอาาลัลลอฮฺยาราอันอัลลอฮฺใหาบาสุตุริสก์อลัลลอฮนี่นะทรงแผ่ให้อย่างกว้างขวางแผ่อะไรครับอัริสก์เครื่องยังชีพเครื่องยังชีพนี่อย่ามองเป็นเม็ดเงินอย่างเดียวมันจะมองข้าวที่อยู่ในหม้อแค่นั้นไม่พอพี่น้องริสกีทั้งหมดที่อลัลลอฮให้กับเราเป็นริสกีหมดเลย เราเรียกว่าเป็นเนี่ยมัดก็ได้นะครับทีนี้อัลลอฮ์เนี่ยให้ริสกีกับใครมากมา ก, มากเนี่ยให้กับใครลีไมยาชะแก่ผู้ที่อัลลอฮ์สงะสง่งพวกพวกคนกาเฟสเนี่ยในสมัยนบีนะคนมุชริกเนี่ยที่เขาไม่รับอิสลามเนี่ยเขาก็ตำหนินบีเหมือนกันเขาวาว่าถ้าอิสลามดีเนี่ย มันต้องรวยหมดวันนี้พี่น้องมุสลิมก็หลายคนกับบนเหมือนกันนะเป็นนามัยมาตั้งนานแล้วและเป็นมุสลิมมาตั้งนานนมแล้วเนี่ยตั้งสมัยพ่อแม่ยังอยู่ก็เป็นมุสลิมมาตลอดแล้วก็มาเรียนาศาสนาเพิ่มเติมไม่เห็นรวยสักทีหนึง่งคนอาหรับมุชกิก็คิดแบบนี้แหละว่านบีดูสิคนที่รับอิสลามสมัยนบีอย่างไซนาบีลานเนาี่ยรวยรวยรวย้รยเจน อัลลอฮฺอักบัดเป็นทาสด้วยผิวดําด้วยแล้วแถมยังยากจนอีกก <c oughs> ็มองดูมองไซนาบิล่านโอ้โนี่นทาสเราเนี่ยราจะไปนมาตในมัสยิดมันไปยืนคู่กับบิลานมันสง่าต ร, ตรงไหนล่ะใช่ไหมเนี่ยเขาก็มองกันแบบนี้เหมือนกันฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่นะเขาเข้าใจว่ามันต้องรวยแต่อัลลอฮฺบอกว่างไงรู้ไหมลิมัยยาชะ อัลลอ์จะให้ใครมีริสกีมากนะ่อยู่ที่อัลลอฮ์องเดียวอัลลอ์เลือกให้รีมา ย, ยาชะแก่ผู้ที่อัลลอฮ์สงประสงเห็นไหมอัลลอ์ให้ใครก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นนี่เป็นอกักดีได้นะเราต้องเชื่อว่าอัลลอ์จะให้ใครจนใครรวยใครมีสุขภาพแข็งแรงให้เจ็บไข้ใดป่วยให้ตายให้เป็นอยู่ที่อัลลอ์ทั้งหมด จะให้ใครยกย่องให้สูงขึ้นให้ตกตามถูกด่าอยู่ทุกวันรัฐ ล, ละกำหนดแต่เพียงผู้เดียวยาบสุตุริสกอลิไมยะชะอัลลอฮ์เนี่ยทรงแผ่ให้อย่างกว้างขวางริสกีสําหรับผู้ที่อลัลลอฮ์ทรงประสงค์วย้ยักติดยักเลือเนี่ยแปลว่าให้แบบน้อยน้อยให้แบบคับแคก่ก็ได้อยู่ที่อลัลลอฮ์ แต่เอาล้อเอ่ยเอยอะไรก่อนเอ่ยคับแคบก่อนหรือว่าเอ่ยเยอะก่อนเอ่ยเยอะก่อนเห็นมเพื่อให้เราเข้าใจว่าฟิสกีนี่ถ้าเอาล้อจะให้รวยน่ได้แป๊บเดียวเลยถ้าจะให้จนเหมือนกันแต่พูดทีหลังนะทีนี้คำว่าลิมายาชะเนี่ยแกพูดที่เอาล้อทรงปรงสมเนี่ยในสุรเรเรียนผ่านมาแล้วนะสุรอังกบูตรเนี่ย สุราอังกบูตเนี่ยอธิบายอย่างนี้อยู่อดีบุมัยยะชะอายะที่12บสองสุราอังกบูที่ผ่านมาแล้วมานะอยู่อดีบุมัยยะชะเห็นไหมอัลลอฮ์นี่น่ะลงโทษใครก็ได้ผู้ที่อัลลอฮ์ประสงค์วายะรฮามุไมยะชะแล้วก็จะทรงเมตตาใครก็ได้ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ ไม่จะเป็นจะต้างทำทำททความดีหรอกถ้าอัลลอฮ์จะเมตตามีสิทธิ์ของอัลลอ์เป็นสิทธิ์ของอัลลอ์ทั้งหมดน่ะแต่ว่าอัลลอ์ก็ไม่เคยเบี้ยวสัญญาของอัลลอฮ์นะอัลลอ์สัญญาว่าคนที่อัลลอ์จะลงโทษเนี่ยอุลามะก็อธิบายอย่างไงใช่ไหมคนที่หันหน้าเข้าหาโลกดุนยาอย่างเดียวอัลลอ์ลงโทษคนประเภทนี้ข้อที่สองอัลลอ์จะลงโทษคนที่ละโมบ สแสวงหาจะเสียรายการเองหาเงินหาชื่อเสียงหาเกียรติยศแล้วหาอะไรอีกหาตําแหน่งอ น, นุมัติยี่สิบห้ายี่สิบส่มีนานี่ใช่ไหมอะรมาปัญาแล้วอันนี้นนทั้ง4ียรายการมีหมดเลยเนี่ยใครที่ถูกเลือกเป็นนู้นเป็นนี้เนี่ยได้หมดเลยใช่ไหมถ้าใครที่คิดแค่4ข้อนี้นะอรอดลงโทษแน่ๆต่อมาครับคนที่มีมารยาทเลว นีคนที่เดินอยู่บนแผ่นดินเนีใครที่มีมารยาทเลวอัลลอฮ์ลงโทษครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคนที่ติดตามไม่เรียนสุนนะแต่เรียนแต่เรื่องบิดอะไย่างเดียวนะ่ะอัลลอฮ์ก็ลงลงโทษคนประเภทนี้นี่ของตัฟซีที่เราเรียนเรียนมาแล้วนะทุกทัวรให้ฟังอ่ะทีนี้วายะร์หมอัลลอฮ์ทรงเมตตาผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์นั้นอัลลมะอธิบายไว้มีอยู่ทั้งหมดหข้อเดีวยวกันข้อที่หนึ่ง คนที่หันหน้าเข้าสู่โลก خر, อลาคิรออัลลอฮจะประทานความเมตตาให้หันหน้าเข้าอาคิรออดุญยาก็เอาแต่ไม่เอาเยอะไงะเอาอาคิรอมากหน่อยข้อที่สองคนที่พอใจกับริสกีที่อลัลลอให้ริสกีมันวันวันต่อวันนะวันนี้ได้แค่นี้ให้อลัลลอพอใจอัลฮัมดุลิลลาอัฉานพอใจแล้วอัลลอฮฺฮัมดุลิลาลา อัลล์ให้เป็นดาราชันพอใจแล้วหรือทดลหข้อที่สามพี่น้องครับคนที่มีมารยาทงามนี่อัลลอฮ์เมตามีมารยาทงามเหมือนใครเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮสัลลัมอัลล์เลยบรรจุอัคราของนบีมุฮัมมัดให้แก่ชาวสวรรค์ใครที่เข้าสวรรค์นะอัลลอ์ให้อัคราของนบีอยู่ในคนคนนั้นเอาความหลอกอันบียูซุฟไป อ า, อายุสาสาปีเหมือนนบีอะไรเหมือนนบีอิีซาอะลัยฮิสลามเอาภาษาพูดในภายรอบแบบนบีดาวูดเอาหัวใจที่เมตตาสงสารคนแบบใครนะแบบนบียูนุสอะลัยฮิสสลามเห็นไหมนี่อัลลอฮฺเมตตาแต่เจ้าท น, นคนที่มีมารยาทงามเนี่ยต้องนึกนะคนมีมารยาทงามกว่าอธิบายอย่างนี้แต่ยินเสียงอาาัลรีออกจากบ้านมามาสยิศโอ้โหอร่อยตรงไหน คนที่มีมารยาทงาอมอุลลามก็อธิบายดีนะเราว่าคนที่ ม, มารยาทงามก็เดินเด็กๆ ก, ก็เดินก้มหัวแต่ห น, น้าผู้ใหญ่จะมาโหเองมารยาทงามแต่อิสลามอธิบายใหม่นะคนที่มีมารยาทงามก็คือคนที่ดูแลพ่อแม่เอาใจใส่พ่อแม่ดูแลญาติพี่น้องตัวเองเมื่อได้ยินเสียงอาลาอรีบเข้ามัสยิ d นั่นคือคนที่มีมารยาทงาม น, น, นี่ถ้ามาอาศัยตับซีมอ า, าศัยกุรานนะอธิบายผิดนะเอาต่อมาครับ คนที่มูลาจำมะบิสุนาคนที่อะไรนะรักยิสุนายิสุ น, นาหนบีเป็นแบบอ่ะอัลลอฮ์อะไรบ้างเช่นจะกินตามสุนนาหนาบีนอนตามสุนาหนาบีข้าวของน้ำตามสุนาหนาบีเนี่ออัลลอฮ์จะเมตตาคนประเภทนี้แล้วข้อสุดท้ายคนที่เรียนวิชาเตาเฮตเยอะ ๆ, ๆอัลลอฮ์อยู่ยังไงอัลลอฮ์มีองค์เดียวมีศิลธรรมยังไงบ้างพยายามศึกษาเรื่องเหล่านี้ก็เรียกว่าอาลุตเตาเฮต นะครับนี่แหละอัลลอฮฺจะเมตตาแก่ผู้ที่อัลลอฮฺทรงประสงค์แต่อัลลอฮฺก็วางเงื่อนไขไว้ด้วยมีอยู่ห้าข้อด้วยกันนี่พูดเรื่องริสกีนะอัลลอฮฺเนี่ยทรงแผ่ริสกีให้กว้างขวางแก่ผู้ที่อัลลอฮฺทรงประสงค์วายักกดิรุแล้วก็ทรงให้คับแคบให้น้อยๆให้พออยู่ได้เนี่ยนะครับอินนฟิลิกะ อินนาแปว่าแท้จริงฟิซาลิกะในนั้นและอายาตินมีสัญญาณหลายอย่ญญ า, ญญ า, ญญ า, ญญางเห็นไหมฉะนั้นคนนี้มันต้องใช้ปัญญาแล้วเห่มนะแล้วคนที่ใช้ปัญญาเนี่ยอัลลอสั่งนะะฟีกรุรอานเลยนะให้นึกถึงริส ก, กีที่อัลลอให้แก่ท่านถ้าเราใช้ปัญญาเนี่ยจะนึกอ่อัลลอให้กับเราเนี่ยเยอะมากเลยฉะนั้นทำให้เรามีความสัมพันธ์กับอัลลอเพิ่มขึ้น และอาญาติ ล, ลิเก้ามียุมีนุนสำหรับมูชนผู้ศรัทธาอันนี้เจาะจงเลยคนกาเฟ่คงไม่ได้คิดแบบนี้หรอกแต่คนที่เป็นมุมินเมื่ออ่านกุณอานิยานี้เตือนตัวเองให้นึกถึงอัลลอ์โอ้นี่เป็นสัญญาณเยอะเหลือเกินให้นุนให้นี่ Allah, อัลลอ์อัลลอฮ์ทรงเมตตาอัลลอฮ์ทรงให้รฤสกีกว้างขวางให้บ้านให้ภรรยาให้ลู ก, ลก ให้ลหลานๆโอ้มีครอบครัวเต็มไปหมดมีริสกีกว้างขวางสุขภาพแข็งแรงทำให้เราโยงกับอร่อยอยู่ตลอดเวลาตัวลงว่าริสกีเนี่ยอย่ามองเป็นเม็ดเงินอย่างเดียวนะเป็นสุขภาพได้ไหมได้มองเป็นเข้าใจเข้าใจอิสลามเข้าใจอีมานให้ตายในแล้วนะให้ตายในสาภาพที่เราเป็นผู้ศรัท ธ, ธาเรานื้อคอดูอาถ้าอ่นอานเยอะนะดูอามอย่างนี้ ทว ا ฟ ة นีมุสลิมันว่าอัลฮิกนีบิสอลิฮินอัลลอฮ์จะให้ฉันตายในสภาพที่เป็นมุสลิมเพราะมันเป็นรีสกดีด้วยแล้วก็เมื่อตายแล้วหรือก่อนตายเนี่ยให้ฉันได้อยู่คบกับคนที่เป็นคนดีๆทั้งหลายมันจะดึงเราเข้ามาอัลลอฮ์สุบฮานะฮุอาตาัตะอัลาอาทีนี้พี่น้องครับสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนะสรรเสริญอัลลอฮ์ ผมเปิดทีวีดูของเขาซาอุดีมาสองวันที่แล้วเนี่ยเขาอธิบายคาว่าอยู่ซับดิฮเนี่ยแปลว่าสารเสรินชมเชยเนี่ยเป็นภาษานะเป็นภาษายะตะกั้นล่าแปล ว, ว่าพูดเป็นภาษาออกมาสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้นี่นะสารเสรินอัลลอ์ยงยงอัลลอ์เป็นภาษาครับแต่เราไม่รู้เรื่อง เราไม่เข้าใจภาษาสรรพสิ่งทั้งหมดที่สรรเสริญอัลลอฮ์เขายกตัวอย่างว่ายกตัวอย่างแค่สมรายการนะถ้าหากว่าเสื้อที่คุณใส่เนี่ยเสื้อเนี่ยสรรเสริญอัลลอฮ์นะอาภรณ์สรรเสริญอัลลอฮ์นะบ้านสรรเสริญอัลลอฮ์นะแล้วก็อาหารที่คุณทานอยู่เนี่ยสรรเสริญอัลลอฮ์นะถ้าคุณได้ยินแค่สามรายการนี้นะคุณจะเครียดเลยนะ รับรับลามกันหมดเลยละถ้าบ้านสารเสริญอัลลอฮ์าอาหารสารเสวนอัลลอฮ์เสื้อผ้าสารเสริญอัลอาาอลอฮ์ละคนใส่มาสารเสรวนเราจะจะเป็นยังไงนี่บางคนเข้าบ้านสารเสวนอันลลอฮ์ไม่เป็นเอาข้าบ้านอ่านดูอาใช่ไหมอะไรบ้างครับสุบฮานละลิมาใช่อัลฮัมมาใใช่ไหมว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาห์ว่ากันะ อ่านั่นเวลาจะเข้าบ้านล้มีทุอ่านอีกอัลลอฮมนีอัสลูกะคอยรอลมาละจวะคอยรลมาฮจบิสมิลลาฮิวะลาจนาวะบิสมิลลาฮิะรจนาวะลัลลอฮิรบบานาวักกะนานี่ต้อาเข้าบ้านถ้าไม่ได้ก็อัสสลามอะลลยกุมาร้องมาตลอดถ้าเข้าแบบแมวนะบ้านดีกว่าเสื้อก็เหมือนกันเสื้อสรสะเซิรนอัลล์นะอาพรซาสะเสร์นอัลล์ ครันลามุสลิมจะใส่เส <ia> ื้อผ้าตรองอานดุอานนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิ kasani bihi awlati waata jamalubihi fi hayati Allah จะกินอาหารอะไงบิสมิลลาฮาลืมบิสมิลลาฮิอัลลอวาอะคิรรนี่งนี่ตะหาว่าบ้านสรธารญสล้วเราได้ยินเสื้อผ้าอภรรสรเสริญอัลลอ์แลวเราได้ยินอาหารที่เราทานอยู่ เราได้ยินนี่นะอัลลอฮ์บาว่าคงจะเครียดหน้าดูเลยนะนี่อัลลอฮ์ปิดตวัวไม่ให้ได้ยินเพื่อให้เราได้นึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และก็ต่างอะไรอัลลอย่งใหญ่กรับพี่นออ้องเอาต่อมาครับท่าวาริสกีเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่อยู่ในครันมารดากําหนดสิ่งแรกเลยนะริสกีก่อนพออายุได้กี่วันนะร้อยี่สิบวัน อเล็กกำหนดเลยรีสกีของเขาวันหมดอายุของเขาอาชีพของเขาจะเป็นคนดีหรือคนชั่วไอ้สามรายการเนี่ยเลือกไม่ได้นะแต่รายการที่สี่เนี่เลือกได้จะเป็นคนดีก็หันบริษัศาสนาต่างาไม่ต้องการเป็นคนดีก็ทิ้งอิสลามไปนะไม่จะสนใจอิสลามไปนะต้ก็การเป็นคนนาวายหลังหล่อเป็นมุนอาฟิกเป็นคนเลวไปอย่างนี้ไปต้นนะครับเอาต่อมาครับอายาที่ อายาที่เท่าไรนะสา <c oughs> <c oughs> เออแล้วก่อนเรื่องริสกีนี่ผมนั่งเช็คคุณอ่านนะอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องริสกีที่อัลลอฮ์ประทานให้กับมนุษย์นะมีทั้งหมดสิบอายามีทั้งหมดสิบอายาอัลลอฮ์แผ่ริสกีให้แผ่ริสกีให้แผ่ริสกีให้แผ่ริสกีให้เครื่องยันชีพให้แต่อายาสุดท้ายเนี่ยนะอายาที่สิบเนี่ยนะอธิบายว่า ถ้าหากอัลลอ์ให้ริสกีกับคนมากให้มากๆเนี่ยเป็นว่าคนจะเป็นยังไงอัลลอฮ์รู้เลยนะจะทรยศต่ตออัลลอฮ์จะ ก, กระด้างกระเดื่องก็ขอยกตัวอย่างคนที่ได้ริสกีเยอะบนโลกดุนยาแบบนี้ที่ผ่านมาแล้วมีใครอะ่ะกอรูนล้วเป็นไงครับกอรุนโอ้โหเห็นไหมลาฟาโรให้เงินทองเยอะ แล้วก็ฮามานให้ความคิดความอ่านสร้างหอคอยแต่และคนนี่ทรยศ ต, ต่อลรอดหมดเลยนะโดยเฉพาะฮามานเนี่ยฟาโร่เนี่ยฮามานพอสร้างปราสาทขอคอยสูงสูงฟาโร่ขึ้นกลางบนพอลงมาว่าไงรู้ไหมอลัลลอฮ์ไม่มีที่มูซาเรียกร้องว่าพระเจ้ามีนะไม่มีครับไม่เห็นไม่พบพอขอทวนเล็กเนี่ยรัเสเซียที่มำการเวลาขึ้นอวกาศไปแล้วนี่นะพอลงมาก็บอกว่าฉันไม่พบพระเจ้า พูดเหมือนใครเหมือนฟาโรอไอคนที่พูดแบบนี้เอาละเจ็ดชั่วมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการเล่นงานเอาต่อมาครับฟาติซัลกุรบะฮะกฮุวลมิสคิลวะบนะสับิลซาลิกะขัย لَلَذِينَ ّ يُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ف َ آ ت ِ ذ َ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ อุล่าอีกัมุลมุฟลิฮุน alhamdulillah อัลลอฮ์ยันอีอัลลอฮ์ชี้ทางนำชีว sí, ิตเวลามีเงินเยอะๆทำตัวยังไงอัลลอฮ์พี Lay ่น้องนี <rice> ่อัลลอฮ์อธิบายไว้นะเวลาท่านมีริสกีกว้างขวางอัลลอฮ์นี่ริสกีมาจากอัลลอฮ์นะอย่าคิดแบบกอรูล่ะมาจาก อะไรนะสติปัญญามาจากความรู้ของฉันเองฉันนี่จบการศึกษาอย่างดีจบปริญญาโทด็อกเตอร์วิชาโอ้ยบริหารธุ ร, รกิจหลงผิดหมดเลยทีนี้อัลลอฮสอนนะครับเมื่อเมื่อมีฤสกีกวางขวา ง, วางให้นึกถึงใครก่อนให้นึกถึงใครก่อนใช่ไหมแล้วก็อัลลอฮฺจะพอใจ ว่าฟ้าท pues ี ah <S <S ่จลุกหรอบาฮัคกูฟ้าที่ฟาเปบังนั้นอาตจงให้นี่บอกกับนบีนะแล้วบอกคนที่อ่านคุรอ่านเมื่อมีทรัพย์สินริสกีเยอะๆเนี่ยจงมอบหรือจงให้ให้ใครครับลกุรบาญาตใกล้ชิดเป็นยังครับ ไม่ให้เราคิดผิดไม่ให้จ่ายเงินผิดนึกถึงญาติใกล้ชิดก่อนญาติใกล้ชิดมีใครบ้างหนึ่งพ่อสองแม่พี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวญาติฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ต้องดูแลเขานะ่ะไม่เอาใครเลยได้ไหมถ้าเจอจะเจอนะจแน่เพราะญ า, าตินี้เตือนนะเวลามีริสกีกว้างขวางเนี่ยโมฮัมหมัดเ อ, อ๋ยนบีเ อ, อ๋ยจง มอบให้กับญาติใกล้ชิดก่อนรักก็หูเหยกังภาษานีนะสิทธิของเขาสิทธิของเขาท่านมีเงินอยู่ร้อยล้านหรือสามสิบล้านหรือเท่าไร่ก็ตามแต่นะในกองนี้มีสิทธิของพ่อแม่อยู่ด้วยของพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชาย เห็นอย่างครับเนี่อัลลอฮฺเตือนถ้ามีเงินมีทองหรือมีรหสกีเยอะๆเนี่ยต้องนึกอัลลอฮฺให้ใครก่อนดีนะอัลลอฮฺแนะนํากลัวจะทําพลาดให้นึกถึงญาติใกล้ชิดก่อนแล้วก็เอาเงินส่วนไหนฮักกูเป็นสิทธิของเขานะว่าเจ้ของคุณนะอัลลอฮฺฝากเงินเหล่านี้ผ่านคุณอัลลอฮฺเนี่อัลลอฮฺเปิดสมองเราแ ล, ล้วทำนี่เลยท่าอย่าหลงวัตถุอย่าหลงเงิน อัลลอฮ์ให้อย่าคนในหมู่บ้านเรามีกี่คนในอะ ไ, ไรรวยก็นับได้นี่ใช่ไหมล่ะอ่ารานี้บารนี้บารนี้บาร น, านี่โอ้บริจาคดีคนนี้อัลลอฮ์คนนี้ดีมากๆเลยแล้วต่อมาครับสิทธิของเขาข้อที่หนึ่งญาติใกล้ชิดสิทธินะของเขานะฮักกอฮูมนะ่ะแปบลบว่าม่ใช่ของเรานะของเขาอยู่ในเงินของเราเห็นยังครับวัดต่อมาคนที่สองวัลมิสกินคนอะไรครับ คนขัดสนมันมีฟากี้แล้วก็มิสกีนใช่ไหมฟากี้นี่แยกกับมิสกีนีนะสรุปแล้วก็พอๆกันล้จนทั้งคู่แล้วก็ไอ้มิสกีนก็ อ, อธิบายอย่างนี้คนที่มีเขามีทรัพย์สินแต่ทรัพย์สินของเขาเนี่ยไม่ไดพัฒนาเขามีที่ดินอยู่แล้วนีสักห้าสิบไร่ยกตัวอย่าง ปลูกก็ไร้ก่นไม่ขึ้นยังไงล่ะนี่การมีนิสกิลแล้วนะที่มีไหมมีแต่ว่าปลูกอะไรไม่ขึ้นเพราะอะไรวันละวันแล้วเอาล้อจัดการเลยนะอย่างงี่เงี่ยขึ้นนิสกิลฉะนั้นนึกถึงญาติใกล้ชิดก่อนสองนึกถึงใครคนขัดสนแล้วก็คนที่สมนึกถึงใครว่าบรรดาบีละคนเดินทางที่มาตกทุกข์ได้ยากในบ้านเราเราช่วยไปเยอะแล้วนะ ที่อคอนเทตเนี่ยมาาก็มาลำบากบางยูซูบช่วยหาเงินห น, น่อยอ้าวช่วยกันบริจาคซื้อตัว๋วเครื่องบินกลับกันบ่อยมากเนี่ยดีไหมดีครับนี่อัลลอชฺชี้นำนะอัลลอเล่าแค่สามนะหนึ่งญาติใกล้ชิดซึ่งเป็นสิทธิของเขาควรจะต้องได้รับสองคนขัดสนสมคนเดินทางเราไม่มีสิทธิ์ไล่ตะเพิดใครนะ ยังมาขอเงินฉันทำไมไปไปๆพ่อพนไม่ได้ครับเอาล้อสั่งนะสิทธิของเขามีให้มากให้น้อยอีเรื่องหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเรามอบเงินของเราให้กับญาติสนิทคนขัดสนคนเดินทางซึ่งเป็นสิทธิของเขานะซาลิกะคอยนั่นเป็นความดีอัลลอฮฺอัลบัมาอยู่ตรงนี้ซาลิกะคอยนั่นเป็นความประเสริฐ เป็นความดีอันดียิ่งด้วยเป็น้องค่อยรุนเบวาดียิ่งเลยแล้วใครให้ขายให้ให้ใ ห, ให้ให้ภาษาเ น, นี้มาอ๋อเนี่ยและคนที่ดูแลคนยากคนจนคนลําบากดูแลพ่อแม่ดูแลพี่ดูลอน้องพี่น้องก็สิทธิของเขาอยู่ในอย่างเงินมรดกก็แย้ง่ายต้องแบ่งเขานะนี่เป็นต้นหมดเลยพี่น้องแล้วคนที่เป็นผู้จัดการมรดกเนี่ย ไปทำรางวัลตอบแทนจาก Allah นะเขาดูแลก็ให้มาเต็มที่นะ Allah มันอยู่เรืพี่น้องซาลิกะคอยนั่นเป็นความดี ย, ยิ่งเลยคอยรุ่นนะ Allah ลลดียิ่งเลยสำหรับใครครับลิลละดีนะยูรีดูนะวะจะ Allah ลิลละดีแปลว่าสำหรับผู้ที่ยูรีดูนะปรารถนาหรือมีความประสงค์ วาจหลอวาจะหุนแปลว่าใบหน้าแต่ตรงนี้อธิบายว่าความโปรดปรานของอลัลลอ์ใครที่ต้องการให้อลัลลอ์โปรดปรานนะครับก็ให้ดูแลพี่น้องสามกลุ่มหนึ่งญาติสนิทสองคนขัดสนสมคนเดินทางนี่เป็นความดีกับคนที่มีริสกีกว้างขวางสำหรับคนที่ดูแลคนสามกลุ่มนี้หวังอะไร ว่าจะฮัลโหลหวังความโปรดปรานจากอัลลอ์ฉันไม่ได้หวังยังอื่นเลยนะให้เงินให้ทองคนดูแลคนช่วยเหลือคนไม่ได้หวังชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศไม่หวังเลยไม่หวังคะแนนด้วยใช่ไหมขอ้อความจะมากันแล้วหวังอะไรครับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักุบัดยิ่งใหญ่นะครับไนารีรู้จักสซนาลีเปล่า ไซนาลีอธิบายอายาเนี้จากตัซเซตุตูบีอธิบายดีนะเขบอกว่าเวลาเราให้เงินกับคนไปในเรื่องให้ของกับคนไปให้ที่ดินกับคนไปให้บ้านหนึ่งหลังให้กับคนคนหนึ่งไปเนี่ยมีอยู่สามสามอย่างบางคนให้เพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนี่แหละได้รับรางวัลจากอัลลอฮ์อย่างมากมายอัลลอฮ์พอใจคนคนนี้แบบท่านซาร์ มอบให้อับดุลละมานบินเอัลสามรายการนะนบีจับมากจับมาเป็นคู่กันอับดุลละมานบินเอาลเนี่ยมาก่อนนั้นจนน่ะนะอยู่นารรมากาหนะรวยพอมาดีนาเน่ยเพื่อมเอาทรัพย์สินหมดเลยอนะ่ะนบีก็จัดกับท่านสะอา ด, ดเสนอสามอย่างฉันให้บ้านคุณหลังหนึ่งฉันมีสองหลังฉันมีสวนสองสวนคุณเอาไปสวนหนึ่งฉันมีภรรยาสองคนเอาคุณมาเลือกดูอันไหนชอบ ยกให้ขึ้นอีกคนหนึ่งอะอย่างนี้น่เขาทำเพื่ออัลลอฮ์นะพี่น้องครับประวัติบันทึกไว้เลยอะในฮะดีษบันทึกเอาไว้เป็นชาวสวรรค์หมดแล้วแต่นี้มันเอาเปล่าฉันไม่เอาเลยแบอบกว่าดุลลนีอาลาสุกโชเมดเอามาเกตพาฉันไปตลาดอย่างเรียวทำธุรกิจการค้า ไม่เอาไม่ไ ม, ไม่ยอมรับภรรยาก็ไม่รับบ้านก็ไม่รับที่ดินไม่รับแต่เขาเสนอแล้วด้วยหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาอวะตะอัลลอฮฺเป็นน้องยิ่งใหญ่นอิสลามสอนดีไหมสอนดีเอาต่อมาครับไซนาลีพูดยังไงนะหนึ่งคนเนี่เวลาให้ให้ของกับคนอื่นไปแล้วนะ่ยมีสามอย่างหนึ่งให้เพื่ออัลลอฮฺเขาได้รางวัลแน่นอนสอง ให้แล้วต้องการที่จะอวดคนในใจมีตัวเียงตัวเองต้องนึกนะฉันให้อันนี้รางวัลมีหรือเปล่าถ้าโอ้อวดนะอัลลอห์ไม่รับเองก็เอาโอ้อวดไปอันที่สามให้แล้วต้องการจะให้คนที่รับของเจกเราไปเนี่ยเทคแคร์ฉันดูแลฉันพลบุญก็ไม่ได้เห็นอย่างครับสแนลีผู้รามีมีีกี่อย่างนะสามอย่างหนึ่งให้เพื่ออัลลอ์ นี่แน่นอนที่สุดโปรดปรานอัลลอฮ์มาแน่นอนอันที่สองนี่ไม่ถึงอลัลลอฮ์อันที่สามไม่ถึงอลัลลอฮ์ให้เพื่อการโอ้อวดให้คนเห็นว่าฉันเป็นคนใจบุญไม่ถึงอลัลลอฮ์อันที่สามให้เพื่อให้คนที่รับมอบจากของเราเนี่ยมาเทคแคร์เราอย่างนี้ก็ไม่ถึงอลัลลอฮ์ถึงอลัลลอฮ์มีกี่อย่างอย่างเดียวอีกสองอย่างนะนะั่นน่ะบุญตนะุนยาเน่ยอยู่ได้ไมั้ยได้ก็มีคนชมคุณไม่เดือย อ่าท่านในใจบุญสาหัวพองขึ้นมานิดหนึน่งทำดีดๆเสนาลีอธิบายดีนะอาทีนี้รวมไปถึงคนที่อิบนุสะบีเขา อ, อธิบายนะคนที่มาตกทุกข์ได้ยากในบ้านของเราเนี่ยถ้าไม่มีเงินให้เขาต้องทำดีกับเขาพูดจาดีๆกับเขาแล้วก็คุยกับเขาดีๆต้องมีสองข้อนะทำดีพูดจาดี สนับสนุนด้านน้ำหนอาหารบ้างเงินไม่มีแต่ให้ช่วยดําอื่นนี่เป็นสิ่งที่อลัลลอาลาส่งเสริมทีนี้เนี่อลัลลอฮฺพูดในเรื่องคนคคนค น, คนเดินทางพี่น้องที่ออกดาว่าก็เหมือนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเนี่ยนะแต่ที้คนที่ทํางานศาสนาเนี่ยต้องนึกเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยนะต้องให้มองกี่ข้อนะให้มองหข้อนี่ของที่เราเรียนมาแล้วนะจากโซล่าอะไรอ่ อังคาบุญไม่ใช่ไหมอะไรเลยไปแล้วนะให้มองหข้อหนึ่งให้มองว่าประชากรตรงนั้นไหนเยอะหรือน้อยอันที่สองภาษาพูดของเขาเป็นยังไงเ้าไปต่างประเทศน่ะภาษาพูดของเขาเป็นยังไงสีผิวเป็นยังไงอันที่สี่พิจารณาดูนิสัยของแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะข้อที่หให้ดูสถานที่อยู่ของเขาบ้านช่องของเขาตึกของเขาสมบุิรู้ตามข้อสุดท้ายเนี่ยเอาล่อเคยลงโทษ อาจาบให้กับคนตรงนี้หรือเปล่าให้มองหกข้อด้วยกันนี่ชี้นำไบเลยเนี่ยไม่ต้องไปใช้สมองตัวเองอัลลอฮฺอักบรอิสลามอธิบายเรื่องการเดินทางก็อธิบายว่าคุณมองอะไรมองอะไรมองอะไรมองอะไ ร, ออะไรต้องขอบคุณ Allah อัลลอฮฺ سبحانه และก็อาตาต่อมาครับพี่น้องอายะที่เท่าไหร่นะสามสิบเก้าอัลฮัมดุลิล ว่ามาแต ي ทْุมม و ร ف บ ي أ َ م ْ و َ ا อِ ا ว ن ลّน س ِ فلاير บู ع ิในดَลَอหَว่ามาแตِทุ ز มมิ ا z ٍ ت ُ ر ِ ي ุร و ดَ و น ج َ ه َ اللَّهِ وأولئكهم َُ المضعفون ُ وما آ ت ت ُ م الربا ليربو ِ في ِ أموال ِ الناس فلا يربو عند َ الله َ ว่ามาทัยตุมในก a k a t i n t u r i dunawajah Allah فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ขอลคุณ Allah Allah อัลกุรอานมานะว่อ Allah ไม่ต้องใช้สมองเลยพี่น้องเดินตามคุรอานนี่แหละชีวิตมีความสุขครับพี่น้อง อาทีนี้อันนี้พูดเรื่องสกาดกับดอกเบีย้ยอันไหนจะดีกว่ากันสกาดกับดอกเบีย้ยทุกวันนี้คนที่คุมเรื่องดอกเบีย้ยใครเยฮูดีความจริงนะนะลุงนบีชื่ออับบานะเขาเล่นดอกเบีย้ยมาก่อน แล้วก็ทิ้งอิสทิ้งดอกเบี้ยเลยพี่น้องละหันมาบริจาคหันมาทำทำทำอากาศชีวิตจึงมีบราระกัอัลลอฮฺพี่น้องดอกเบี้ยกับอะไรนะกับอากาศอันไหนจะสงางามกว่ากันอันไหนจะดีกว่ากันผมอ่านในทัพเซ่ภาษาอุรดูนะที่เพิ่อที่รอดพิจาราภาษาอุรดูนะกาอธิบายอย่างนี้ดอกเบี้ยเนี่ย เวลาเราจ่ายดอกเบีย้ยหรือว่ารับดอกเบีย้ยสุดจามจะรับดอกเบีย้ยนะมองดูเงินนี่มันเพิ่มแต่ที่ไหนได้บ้านปลายมันขาดเหมือนคนเหมือนคนที่ตามร่างของเขาบวมหรือพองเ็เห็นใช่ไหมร่างบวมแขนก็ใหญ่ตัวก็ใหญ่แนละ้วบวมหมดเลยเนี่ยนะมองด้วยสายตาเนี่ยอนอ้วนขึ้น่ะ แต่ที่ไหนได้อนาคตเองตายอ่ะเพราะเป็นมะเร็งแบบบมบวมมีใช่ไหมมีโอ้โพูดดีมากเลยอัานแล้วอรอเข้าใจง่ายนะฉะนั้นการที่เรากินดอกเบีย้ยประชาชนนั้นเงินมันเพิ่มจริงในสายตาแต่ที่ไหนได้บ้านปลายคือความอานยะนแบบคนที่เป็นโรคนี่ยนะเห็นแล้วบวมมองอ้วนดูหนา้าบวมใสที่ไหนได้นึกว่าอ้วนเป็นยังไง ตายรอไปเจ้าเดี๋ยวตายส่วนคนที่จายสกาศนั้นพระอธิบายอย่างนี้เหมือนกับคนที่กินยาทายเพื่อที่จะไล่อาหารที่อยู่ในในในนลำลำไส้เนี่ยระหวังที่มันทายเนี่ยมันเพลียใช่ไหมมองดูด้วยสายตาเองแย่แล้วนะแต่ที่ไหนได้พอหายปั๊บแข็งแรงทันทีอ๋อรออักร <laughs> คนที่จายสกาศเหมือนคนที่ กินยาถ่ายเพื่อที่จะล้างลำไส้ให้มันสะอาดระหว่างที่ถ่ายเนี่ยมันก็เพรีย่ธรรมดาคนที่จ่ายอากาศมองดูเองเงินลดแน่เลยลดเลยที่ไหนได้พอผ่านไประยะหนึ่งอ่อนล่ออักบัตรร่างกายแข็งแรงแบบกินยาถ่ายร่างกายแข็งแรงอ่อนล่ออักบัตรเข้าใจง่ายดีอัิที่ดูคุณอ่านครับวามาอตัยตุมมิริบา อามาแปลว่าสิ่งใดอาใตจุมที่สู่เจ้าให้ที่สู่เจ้าบริจาคที่สู่เจ้าใจนะที่ท่านทั้งหลายบริจาคเนี่ยนะมิริบาหวังหวังนะเจตนาเพื่อดอกเบี้ยเจตนาให้มันเพิ่มพูนเพิ่มผลิบาแปลว่าเพิ่มเพิ่เพิ่มพูนริบาแปลว่าเพิ่มพูน ใครที่เอาเงินให้กับประชาชนหวังที่จะให้เงินนี่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผมก็ขึ้นดอกเบี้ยนั่นแหละรีบาแปลว่าเพิ่มพูนรีลาแปลว่าดอกเบี้ยนะครับรบบัวเนี่ยแปลว่าที่ที่สูงตะตุมเขาเรียกว่าที่มันดเนินๆสูงๆก็เรียกว่ารับบัวอาจารยนรีบาเนี่แปลว่าดอกเบี้ยดีมารืบาแปลว่าเพิ่มพูนใช่ไหมนะ มองด้วยสายตาเนี่ยมันเพิ่มแต่ที่ไหนได้เพิ่มหรือไม่เพิ่มไม่เพิ่มครับมันขาดทุนเองเองก็ตกนรกอ่ะพูดง่ายง่ายกันแล้วกันว่ามาไตาตุมมิริบาและอันใดที่สู่เจ้าจ่ายออกไปจากทรัพย์สินของท่านหวังเจตนาเพื่อดอกเบี้ยลียารบูเพื่อให้มันเพิ่มพูน ฟีอัมวาลินาในทรัพย์สินของมนุษย์ต้องการจะให้เงินประชาชนให้เงินคนแต่หวังว่าจะได้เงินเพิ่มเงินจากไหนครับจากคนด้วยกันอัลลอฮ์กล่าวว่าไงรู้ไหมฟาลายาดบูมันไม่เพิ่มลายาดบูไป ว, ว่ามันไม่เพิ่มคุณหวังจะให้มันเพิ่มแต่มันไม่เพิ่ม มองด้วยสายตาเหมือนมันเพิ่มแบบคนที่บวมกับพองอะ่ะเองนี่ โ, โหร่างกายสมบูรณ์จังเลยนะแต่ที่ไหนได้เองเป็นโรคอยู่เนี่ยเดี๋ยวรอตายเหมือนกันคนที่กินดอกเบี้ยอลัลลอฮบอกว่าอะไรนะไม่เพิ่มครับบรากัรในชีวิตคุณไม่มีเงินของคุณที่เพิ่มจริงแต่เป็นความทำลายตัวคุณเอง ฟาลายาบูอินดัลลอห์นะอัลลอเงินที่คุณได้รับจากดอกเบี้ยนั้นไม่เพิ่มครับเชื่อคุณอ่านสบายใจใช่ไหมถามว่าโลกใบนี้นะมัสยิดเราเนี่ยโรงเรียนเนี่ยอยู่ได้เพราะบริจาคใ ช, ไใชไ่ไหมใช่หรือไม่ใช่แน่นอนครับเนี่ยคนจนๆแก่ๆที่อยู่ตามหมู่บ้านเราเนี่ยที่อยู่ได้เพราะบริจาค อัลลอฮฺอักบะดการบริจาคเนี่ยทำให้ลูกเจริญทําให้ตัวเองนี่มีบราระกาัดทําให้ครอบครัวตัวเองมีบราระกัดด้วยยิ่งบริจาคนะครับเอาตัวมาครับฟาลายารบูอินดัลลอฮมันไม่เพิ่มนะอัลลอฮฺ อ, อ, อาาลัลลอฮฺอักบะดมันไม่เพิ่มนะอัลลอฮฺเอาตัวมาเรื่องเรื่องเสกาอว่ามาอัตตุมมินซกะและสิ่งใด นะครับและสิ่งใดที่สู่เจ้าให้หรือจ่ายมินซาการ์ตินจากอากาศให้เนียร์กาศอันที่แรกเนียร์ดอกเบีย้ยจะให้อากาศเนียรดอะรนะเนียร์กาศไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอากลับเลยให้ให้เลยเนี่ยอากาศแปลว่าอะไรรู้เปล่าอากาศแปลว่าสักฟอกให้สะอาดอากาศแปลว่าเพิ่มพูน z a กา t มีสองความหมายแปลว่าเพิ่มพูนสองซักฟอกให้สะอาดซักฟอกอะไรซักฟอกหัวใจซักฟอกเงินหัวใจสะอาดเงินก็สะอาดด้วยเงินที่เหลืออยู่นี่นะสะอาดหมดเลยรอเชื่อเอาลอดดีกว่าสบายใจไปเนาะความอาใจทุมมิน z a k a ใครที่ผู้ใดนะครับในหมู่สูเจ้าที่จ่ายไปหรือให้นะครับ แล้วก็หวังเนียดเป็น zakat าาตูรีดูนะวะจัฮัลลอตูรีดูนแปลว่าท่านหวังท่านปรารถนาท่านเจตนาอะไรครับวะจัฮัลลอแปลว่าความโปรดปานของอลัลลอฮฺวะจุนแปลว่าใบหน้าแต่ที่นี่แปลว่าความโปรดปานคุณจ่าย zakat าาไปจ่ายเงินไปเป็นเงิน zakat าาหวังความโปรดปานจากอลัลลอฮฺ มันจะเอาจากคนเลยนะตัวดอกเบีย้ยเนี่ยหวังเงินเพิ่มจากคนแต่สกาดเนี่หวังจะขายหวังจากอัลลอฮ์ต่างกันไหมโอ้ยังกับฟ้ากับดินเลยนะดอกเบีย้ยหวังจากคนส่วนสกาดหวังรางวัลตอบแทนจากอาัลลอฮ์อ้าวใครจะสังา่ารการเพื่น้องเขาได้ทางานเพื่อคนกับเพื่ออัลลอฮ์ต่างกันนะถ้าทําเพื่อคนก็ หวังชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งชมเชยสรรเสริญแต่ถ้าทำเพื่อัลล a ะหวังสวรรค์อย่างเดียวเป็น้องความโปรดป้านจากอลล a h a l l a อัลลอฮยิงใหญ่ครับแต่นี้มาดูคนที่กินดอกเบี้ยกับคนที่จ่ายจ่ายสกาศใครจะถูกเพิ่มพูมมากกว่ากัน f a u l อ ikahumul mud a i f พวกเขาจะได้รับอูล l อ i ก a h ว่าพวกเขาด้ยนะ พุมเหล่านี้แหละพวกเขาจะได้รับอะไร ม, มุดมุดไอโฟนมุดอิปว่าเพิ่มเป็นทวีคูณเพิ่มรางวัลเป็นทวีคูณอร่อยเห็นนะครับอยู่กับอัลลอฮฺบริจาคจ่ายสกาดแล้วก็หวางความโปรดปรานจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะตอบแทนให้เป็นทวีคูณยกตัวอย่างอัลดร ม, มานบินเอา เลี้ยงครอบครัวน บ, บีหมดเลยน บ, บีกับมีตังอยู่แล้วแต่ขอดูแลออก <c oughs> บางทีเชื้อแทบมาให้อาตัวหนึ่งเอาไปคนที่ดูแลคนนะพี่น้บบนองครับดูแลศาสนาของอัลลอ์ดูแลโต๊ะครูด้วยนะธรรมดาผมไม่เคยพูดเรืงนี้ <c oughs> ดูแลโต๊ะครูด้วย ก็ดูแลคนยากคนจนดูแลพ่อแม่เราดูแลพี่เราน้องเราเนี่ยร อ, อว่าเขาต้องการความช่วยเหลือทั้งนั้นแหละคนที่ทำงานทนที่จ่ายสกาดไปเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยคำว่าสกัดมันอยู่สีอย่างนะหนึ่งสกาัดสองสดะคอสามฮ ا د ي y a ี่วาคัฟนี่ผมได้จากมานาอัมมัลลาส น, <c oughs> นั่งคุย หนึ่งสากาัดสองสดอกก็สาหดียาหี่วกัฟอ่ะพูดไหมคนที่จ่ายีนะิพี่น้องมันจายได้สี่อย่างนะหนึ่งสกาดสองหดียะหรือว่าฮิบะก็ได้หดียาหรือว่าฮิบะแล้วก็อะไรนะสดอกกฮีบะหดียาหรือวกัฟคนที่ดูแลนี่พี่น้องครับเงินเอาเงินออกไปนะอลัลลอฮ์พี่น้องครับอลัลลอ์จะให้รางวัลเพิ่มพูน เป็นทวีคูณหลายๆเท่ากับคนที่จ่ายอากาศในนามของอัลลอฮสุบฮานหูวาตาลามาดูเรื่องดอกเบีย้ยนิดนึงดอกเบีย้ยนี่พี่น้องครับในคุอ่านอธิบายอย่างนี้ใครที่กินดอกเบีย้ยในวันเกียมะอัลลอฮจะให้เขาเนี่ยยืนนะครับยืนตรงไม่ได้พี่น้องทรงตัวไม่ได้ ยืนทรงตัวไม่ได้ในวันเกียรมาแล้วก็เขาจะยืนงงพี่น้องถ้าเดืนงงงงนั่นแหละกินดอกเบี้ยไปสังเกตสังเกต ด, ดูนะ <c oughs> ใครที่ยืนงงงงในวันเกียรมายืนตัวไม่ตรงแบบไหนวันละอันละมาได้อธิบายให้นะเอายืนงง ง, ง, งยืนตัวไม่ตรงทรงตัวไม่ได้นี่นะนั่นก็คือคนที่กินดอกเบี้ยบนโลกดุงยาแบบนี้ และคนที่ใจ่าราชการโอโ๋อสง่างามเดินโอโ๋อรัศมีอยู่ข้างหน้ารัศมีอยู่ที่ขวามือเพราเกาดูแลคนมาตลอดแบบอัลุรมานวินอฟัฟดูแลครอบครนะัวนบีดูแลคนยากคนจนดูแลชาวมาดีนะดูแลหมดสง่างามตายสบายมากเลยน้องคนร้องไห้คิดถึงแต่คนที่กินตอกเบี้ยน่ะตอนตายก็าว่าไงเอองตายตายก็ดีวะนะครับที่ร Allah, อัลล์พี่น้องเอา้าอัลลอฮ์นี่ห้ามเรื่องดอกเบี้ยนะแต่ว่าส่งเสริมด้านคานค้าขายแต่คุนยาฮูดีบอกว่าอาลัลลอฮ์จนขอคนนั้นขอคนนี่นีนน่ดา่าอัลลอฮ์นะอลัลลอฮ์่าฉันจะบันทึกภาษาจะคุณเกะไว้ทั้งหมดแล้วลงโทษคุณตอนตายอ้าพี่น้องต่อมาครับคำว่ามุสตัดอิฟอุนมุสมุสอะไรนะ หูมุลมุดอาฟูมุดอาฟูเนี่ยคือเป็นอย่างงี้คนทำความดีกุรอานะมันฑะอบิลฮัสซานะฟะละหูอัชบอัมซาลิฮาใครจะทำความดีหนึ่ ง, ทงเท่าอัลลอฮ์ให้เท่าไรท่านสิบน บ, บีก็ขออลัลลอฮ์จะอยากได้เพิ่มเพิ่มเรียกว่าบริจาคอาลัลลอฮบอบริจาคสิฉันให้รางวัลเยอะมากอาลัลลอ์ไม่ได้บอกฉันอยากได้ตัวเลขกลมๆ เราบอกอ้าคุณบริจาคให้ดูน่ะต้นต้นข้าวที่อยู่ในกลางนาเนี่ยข้าวเม็ดเดียวเนี่ยวานลงไปเนี่ยต้นต้นกล้ามันขึ้นใช่ไหมน่ะต้นหนึ่งมีกี่รวมเจ็ดรวมนั่นและคุณจะได้เจ็ดร้อยเท่าถ้าบริจาคนี่ง่มุสอะไรนะ มุดดออโฟนลฟาอูลอีกาหูมุลมุดดอไอโฟนพวกเขาจะได้รับการตอบแทนเป็นทวีคูณให้ดูชาวนาเข้าใจง่ายเลยอ๋อไ อ, อมะม่วงกันไม่แน่แต่เราหวัดดูดูข้าวดูชายนาดูชาวนาข้าวหนึ่งเม็ดปู ล, ลงไปในดินงอกขึ้นมาเป็นเป็นลำต้นนะมีเจดรวง ละร่วงล ะ, ละรอยละรอยละรอยเจ็ดรเท่าไรเจ็ดรอยรางวัลของคนที่บริจาคในนามของอัลลอสุขขบฮะฮานะฮอัลาสบายใจไหมทำอยู่ลีลล์พี่น้องแ่น้นเอาเงินให้ภรรยาด้วยนะน บ, บีมีสอบาลนบีบางคนภรรยาน บ, บีมาฟ้อง ม, มีภรรยาของสอบาลมาฟ้องน บ, บีอุยาสุลแล้วสามีฉันนี่ขี้เหนียวน บ, บีแนง่ายรึไหมหยิบเฉย ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่วันลักนะหยิบเฉยๆอยากให้เขาเห็นเอาอย่าเอาเยอะเอาพอพอได้เอาพอประมาณเห็นไหมสามีขี้เหนียวในโลกนี้มีไหมเยอะครับแต่เวลานั่งร้านน้ำชาญนะ่ฉันเลี้ยงหมดเลยแข่ตรงนี้สิบคนแต่ภรรยาที่บ้านไม่ให้เองไปหาหกินเองยังก็นกอนะ ท่านสามีต้องรับผิดชอบครอบครัวต้องหาเงินให้ภรรยาให้ภรรยาอยู่บ้านอบรมลูกนี่ให้ภรรยาทํางานอีกอ่ะเหนื่ยก็เหนื่อยกลับบ้านมาหงข้าวอีกรางเสือ้อรางจานเช็ดนอนเช็ดนี่โอ้โหเอาหลักการอิสลามไปใช้เลอัลลอฮ์จะสงา่างามนะครับถ้ายหญิงอิชชาได้รายงานบอกว่าว่าท่านนับีนะุลเเป็นห่วงนะ คือสั่งให้เราเนี่ยให้ฮาดียะกันพอให้แล้วเนี่ยคนให้อย่าหวังอะไรจากคนให้จากคนถูกให้ให้หวังจากความเมตตาจากอัลลอแต่คนที่ถูกให้ของขวัญมาต้องนึกฉันก็จะต้องให้รางวัลตอบแทนแก่เขาผู้ให้เนี่ยนะหวังอะไรจากอัลลออย่างเดียวไอ้คนที่ถูกให้เนี่ย ให้นึกฉันจะต้องตอบแทนเขาวันนี้ยังตอบแทนไม่ได้ก็บาระกรลอฮูละัะขอความจงเริญจงมีแก่ท่านไว้เธอรขอให้ครอบครัวท่านนี้ขอดูอากอนแล้วก็วางแผนว่าฉันจะต้องเอาฮาดิยามาให้เขาบ้างคิดไม่เหมือนกันนะคนให้คิดอะไรฉันหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์คนที่ถูกมอบรางวัลให้ต้องวางแผนฉันจะต้อง เอาของาดียาไปให้คาวบ้างวันนี้ยังไม่มีขอดูอาแทนไปก่อนนี่ใครสอนนะครับทายิงอัญชาถามท่านนาบีนบีอธิบายให้อัลฮัมดุลิลลอฮ์พี่น้องอิสลามสมบูรณ์นะสมบูรณ์ไม่ต้องอาศัยยะฮูดีมาสอนนกครับไม่ต้องอาศัยคนจีนมาสอนพี่น้องเอาอยายะสุดท้ายนะอัลลอฮุลลดีขอาลากกุ้มซุมมารอจะกากุม um, ซ um ุมมาอยู่มีตุกุม ท م ่ม هَلْ م ِ ن ุมฮ ر َ ك َ ا ئ ِรُ م ยคุมไม่ยَำแยลุมิน ذلك ِุมมินَัยَุภะَหَวะَท้าลาอ์มะُายุริกุน ل ัลลอฮ ذ ลลัติَัَลักคุมทَ่มมะรซาคคุมทุ่มม ي ยุม ت ตُุุม ซุ่มยู حي คุมฮัลมินชุรก م อิคุมไม่ย่ลมิน ذلك ุมมินชี s u b h a n ع h u wa taalaamma y u s h ك i k u n Allahu akbar Quran แต่ละอายาเป็นของ Allahu akbar ยิ่งใหญ่ครับอายานี้ อัลลอฮ์เตือนนะพี่น้องกับอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มานะตายสองครั้งนะแล้วก็เกิดกี่ครั้งก็เกิดสองเหมือนกันแต่คนกาเฟรไม่เชื่อคนกาเฟรไปบนตอนอยู่ทุ่งม้าชัดนะตอนตกนรกบอกว่าอัลลอฮ์จะขอให้ตายสามครั้งเกิดสามครั้งเถอะ อลาดลาสกาแฟกุนอานวายันนี่นให้มนุษย์ เ, ยเกิดสองครั้งแล้วก็ตายสองครั้งคนกาเฟไม่เชื่อคนกาเฟว่าตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวจบใช่หรือไม่ใช่มุสลิมที่คิดแบบคนกาเฟเก็เยอะเอาตายสองครั้งตายตอนไหนตอนอยู่ในอาลัมอะโรวาอยู่ในโลกแห่งวิญญาณ น, นั่นเขาเรียกว่าตายครั้งแรก เกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้นี่เขาว่าเกิดครั้งแรกเดี๋ยวตายอยู่ๆไปหมดหมดฟิสิกี์หมดความตายมาตายครั้งที่สองเดี๋ยวจะเกิดใหม่ในวันกิยามะท่านเกิดครั้งที่สองฉะนั้นตายสองครั้งเกิดสองครั้งแต่คนกาเฟรไม่เข้าใจอธิบายก็ไม่เข้าใจเขาไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นอ่ออ พอไม่เชื่อว่าตามไปฟืนก็ตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวเท่านั้นเองเอาโทษดุลยาอย่างเดียวแต่อักคีรอดไม่ได้คิดเอาต่อมาครับอัลลอฮ์อัลออลอฮ์เนี่ยอัลลอฮเป็นผู้ خلق กกุมสร้างสูเจ้ามาคอยละกกุมอัลลอฮ์สร้างสูเจ้ามาอธิบายไงสร้างมาเนี่ยตายสองครั้งเกิดสองครั้งแล้วระหว่างที่อยู่บนดุลยาเนี่เป็นไงครับ ซุมมาโรซาโกกุมโรซักไปว่าริสกีเนี่ยแหละแล้วอัลลอฮ์ให้เครื่องยามทีบแก่สูงเจ้าไม่ได้ทิ้งนะรับผิดชอบดูแลด้วยนะอัลลอฮ์คนที่รับเหมาก่อสร้างเนี่ยรับเงินไปแล้วหนีมีไหมอัลลอฮ์รับผิดชอบตั้งแต่อลัมอารวาอลัมดุนยาอลัมอะไรบรรัลซักอัลัมดูแลทั้งสีโลกเลยนะเอาต่อมาครับ ซุมมาอยู่มีตูกลุมแล้วทรงให้สูเจ้าตายนี่ตายเป็นครั้งที่ครั้งที่สองนะซุมมาอยู่ใหกลุมแล้วก็ให้สูเจ้าเป็นมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองนะคุณกาเฟไม่เข้าใจไม่เข้าใจคุณกาเฟไม่เข้าใจคมุมโมมินเข้าใจโอ้ตายสองครั้งครั้งแรกอยู่ไหน อ, อาลามอรวาเกิดมาครั้งแรกดิบนดุนยาเดี๋ยวตายครั้งที่สองอยู่ในกูโบ้ฟื้นมาเกิดครั้งที่สองอัลฮัมดุลิลลาห์คนกาเฟ่จะไปะเข้าใจอีกทีหนึ่งต้นกูทุ่งมาชัดนะตายจริงอลัลลอฮ์จะขอตายสามครั้งได้ไหมแล้วก็ฟื้นสามครั้งจะได้มาแก้ตัวเราหมดเวลาแล้วต่อมาครับ งานสี่อย่างนี่มันใหญ่นะสร้างสูเจ้ามาให้ริสกีสอให้ตายสี่ให้ฟื้นงานใหญ่หมดเลยเอลัลลอฮ์้ทใครทำได้ฮัลมินชุรกะอีกุมไม่ยฟาลูมินซาลิกุมมินชัยฮัลบาวะหรือชุรกะแปลว่าเจวิตที่สูเจ้า กราบว่าอยู่เนี่ยหุ้นส่วนจเจวิตหรือว่าที่ตั้งพวกเขาตั้งพาคีกันเนี่ยนะสามารถทำแบบนี้ได้ไหม อ, อัลลอะป็าครับนาแตกมนะสร้างมนุษย์มาให้ริสกีแล้วก็ให้ตายให้ฟื้นเนี่ย น, น, นี่งานอาลัลลอฮ์นะแล้วที่บุงคุณไปบูชารูปจเจวิตบูชาจเจวิต บูชาต้นกล้วยดูบูชาแม่น้ำคงคาบูชาวัวบูชาอะไรก็าตามที่อยู่บนโลกนี้ผ้าเขียวผ้าแดงที่ผูกที่หัวจัวที่กิจจกทักไปขาโตวะตะเกียร์โต๊ะระยองไปนั่นครับสิ่งที่คนไปบูชาเจาวิตทั้งหมดเนี่ยทำแบบนี้ได้ไหมโอ้โหแต่ความรู้เต็มเลยนะก็สังเกตดูมันทำไม่ได้เปน้องจะทาอะไรนะ่ะก็ขนตาหลุดไจะเอาศัยไม่ได้เลยแหะ เราเอ็กวอตฟันหักสซ่หนึ่งเังเพึ่งหมอเลยเอ็งพึ่งตัวเองสิไปหานี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไม่ได้นี่ยออลถามฮัลมินโชรกาอีกุมมีผู้ใดในหมู่พาคีของสูรเจ้าไหมมีผู้ใดที่จเจวทไหมที่กระทำในสิ่งเหล่านี้ได้ทําเหมือนฉันเนี่ยได้หรือไม่ได้ให้พิจารณาดูออลอว์อ็กว ได้หรือไม่ได้คำตอบไม่ได้คิดเองเน่แต่พอปัญป ญ, ญาก็มาอออัลลอฮฺฮุลลาีคอแล้ะกอกุมอัลลอผู้ทรงสร้างสูงเจ้ามาข้อที่หนึ่งงานใหญ่ด้วยนะข้อที่สองให้ริสกีให้เครื่องยังชีพแก่ผู้เข้าอยู่ได้บนโลกดุนยาบนนี้แบบสง่างามอันที่สมให้ตายข้อที่สี่ให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งงานใหญ่ๆทั้งหมด สิ่งที่คุณบูชาจวเจวิตที่คุณบูชาทําได้ไหมอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะอัลลมหาบริสุทู์ยิ่งแต่อัลลอฮฺตะอัลละผู้ทรงสูงสง่งอา ม, มายูชริกุลพ้นจากที่พวกเขาตั้งภาคีอัลลอฮฺอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดสิ่งศักดิ์สิทธ จวเจวิตต่างๆไม่มีทางสามารถที่จะเท่าเทียมอัลลอฮ์ได้แม้แต่นิดเดียวดังนั้นอย่าไปชี้ดิคต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เครื่องนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถาว่าแค่เงินของคุณน่ะมีอยู่ร้อยล้านแล้วพนักงานหรือว่าทานที่อยู่ใต้าการดูแลของคุณเนี่ยมีหุ้นส่วนในเงินคุณคุณพอใจไหมล่ะพอใจไหมไม่เคยพอใจสักคนนะแล้วมาเรื่องของฉันอย่ามายุ่งกับฉันอัลลอ สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนแล้วเอ็งสร้างได้ไหมละ่ะนี่เอาไปกราบสิ่งอื่นเท่ากับกราบอลัลลอฮ์อยู่ทุกวันนี้นะคุณทําทําไมแข่งเงินของคุณคุณยังไม่ให้ลูกจ้างคุณมีส่วนร่วมในเงินของคุณเดินเข้าห้องนอนเรายังไม่พอใจเลยนะคุยกับภรรยาเรายังไม่พอใจเลยแต่เอ็งทําทําไมนะ่ยไปกราบจวเจวิตต่างๆนะนี่งานการกราบง า, งานของเราคุณกับอลัลลอฮ์ต่า น, นั้นคุณอื่นไม่มีเสร็จเลยนะ อย่างนี้ก็โดนอ่าพี่น้องครับออกว่างานสีอย่างใหญ่นะ <c oughs> อาจจนี้เรื่งพูดถึงเรื่องริรสกีนิดที่เราอ่านมาแล้วในสุรอะดัยอังกะบูดนะอัลลอฮ์บอกว่าดาบะสัตว์ทุกชนิดเนี่ยอัลลอฮ์ให้ริสกีโดยไม่ต้องหิ้วนะใช่หรือไม่ใช่ละตัมิลูริสก์ฮะ ไปไหนมาไหนไม่ต้องพาริสกีไปปลายทางเจอหมดใช่หรือไม่ใช่อาจจะไปเชียงใหม่เนี่ยต้องพาอาหารไปไหมไม่ต้องปลายทางมีอยู่แล้วนี่ใครวางแผนอลัลลอ์วางแผนท่านอย่าไปอย่าไปสะสมเยอะแต่นี่ที่เรียนมาครั้งที่แล้วนะไม่ต้องหิวอาหารไม่ต้องพาอาหารอลัลลอ์เลี้ยงรับผิดชอบคุณโดยเฉพาะวัยย่ากุ้ม อัลลอฮฺยอดุซูก็ฮาว่าอีญากลุ่มอังเกบุลอายะที่หสิบเน่ยพี่น้องอัลลอฮเลี้ยงคุณรับผิดชอบคุณโดยเฉพาะแล้วก็แต่มนุษย์เนี่ชอบสะสมใช่เลยไม่ใช่กินเป็นสิบสิบปีอัลลอฮอักบาร์ทไมสะสมเยอะนบีห้ามสะสมนะไอ้สะสมแค่อัตริษสองอาทิตย์นะพอไหวอนี้สะสมอะไรอ่ขะข้าวโพดมัน น้ำมันเอาลอหุบัสแล้วก็เอามาขายแพงๆอย่าทำนะสิ่งที่สะสมพี่น้องอัลลอฮ์เล่าแค่สองอย่างนะอะไรหนูกับอะไรนะหนูกับมดชอบสะสมหนูเก็บกินอาหารไปไว้ในรูมันมดเอาอาหารไปไว้ในรูมันแต่มนุษย์อย่าทำแบบนั้นวันนี้มนุษย์ทําตัวเหมือนเหมือนหนูก็ทําตัวเหมือนอะไรเหมือ น, ม, นมด ฉันเป็นคนที่ประเสริฐประเสริฐได้ยังไงสุนันต์บอกว่าอย า, อยาสะสมทรัพย์สมบัติเยอะอยากกักตุนอาหารเยอะทำตัวเป็นมดไปได้ทำตัวเป็นหนูไปได้อีกาก็สะสมแต่มันลืม <c oughs> อันเต็ตับเสียตลลอดอีกานี่กาสะสมนะพอสะสมนั้นลืมอมือย่างนี้เพนต์เตินะครับเอาไปนองครับขอที่เอาต่อรอให้ Kuat yang berkat dalam hidup tuhkan. Subhanallahumma wa bihamdika. Shalallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.